ไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับสถานที่แต่อยู่ที่กายที่ใจเรานั่นแหละเราก็ต้องพยายามพากันไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจกันนะอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่เล่าให้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเชื่อว่า หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะกับเทธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำราญธรรมทุโรหรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในนามของหลวงพ่อกล้วยแห่งวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อเป็นการะระลึกถึงพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อที่ท่านได้มีเมตตานามาถ่ายทอดบอกสอน ให้พวกเราได้น้อมกายน้อมใจเข้าไปศึกษาเพื่อให้เห็นสัจธรรมความจริงตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูองค์แรกดิฉันจึงของนำเสนอเนื้อหาสาระทางธรรมที่หลวงพ่อได้มีเมตตาสั่งสอนไว้ในรูปของคำถามและคำตอบที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและหาฟังได้ยากซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่ง เป็นบันทึกเสียงการสนทนาธรรมเมื่อครั้งที่หลวงพ่อได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่สำนักสงภูป่าไร่จังหวัดมุกดาหารในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2552ที่ผ่านมาโดยหลวงพ่อมีเมตตาเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ของท่านทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์อุบาสกและอุบาสิกา ได้สอบถามปัญหาในการปฏิบัติเพื่อคลายความสงสัยปรับความเห็นความเข้าใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปสำหรับส่วนที่สองนั้นเป็นเสียงอ่านหนังสือเรื่องหลวงพ่อเพียงแต่เล่าให้ฟังในภาคของหลวงพ่อตอบโยมถามซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะมีความหลากหลายในประเด็นคำถามที่อาจจะตรงใจท่านผู้ฟังหลายๆท่านทีเดียวและที่สำคัญคือทำให้พวกเราได้มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจคำสอนของหลวงพ่อในอีกหลายแง่มุมอย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้นสำหรับที่มาส่วนใหญ่ของการรวบรวมคำถามและคำตอบนั้นก็ต้องขออนุโมทนากับคณะผู้จัดทาเป็นอย่างยิ่ง ที่มีความพยายามรวบรวมคำถามของผู้สนใจในการปฏิบัติขัดเกลาตนเองทั้งมือใหม่และมือเก่าที่สอบถามเข้ามาในกระดานสนทนาธรรมของเว็บธรรมะที่มีชื่อเสียงเว็บหนึ่งและได้นำไปขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วยตอบให้ในฐานะผู้สนทนาท่านหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยตนเองส่วนบทคาถามคาตอบช่วงหลังๆนั้น รวบรวมจากญาติโยมที่เข้ามาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อโดยตรงค่ะ ข, ขอเชิญทุกท่านรับฟังเทศสธรรมคำสอนของหลวงพ่อกล้วยกันเลยนะคะ จะทำอะไรก็ให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ถึงจุดหมายปฏิบัติข้มเช้งมากมายทุกขนาดไหนจุดมุ่งหมายก็คือความสะอาดความบริสุทธิ์ของจิตความหุดพ้นตรงนี้แหละสําคัญเราก็ต้องพยายามดูดูเอาตรงนี้พอวัดปฏิบัติต่างๆก็เพื่อยังสมมุติให้อยู่ดีมีความสุขเราก็ต้องดูแลรักษาอยู่เคารพยุคแต่เราก็ต้องพยายามทําใจของเราให้ถึงจุดหมายปลทางรู้ใจรู้การเกิดของจิตรู้การดับของจิตต่อแปหน้าเราไม่ให้จิตของเราเกิดจิตของเราเกิดเพราะอะไรจิตของเราหลงอะไรหลงความคิดหลงกันหน้าหลงอารมณ์ เราสังเกตไปบ่อยคนทั่วไปก็มีแต่การตามดูจิตไม่รู้จักดับไม่รู้จักคลายไม่รู้จักยับยั้งจิตมันก็เกิดกําลังมันก็มากถึงมันไม่ยึดมันก็ต้องเกิดเราต้องดับความเกิดคลายความหลงระเริดเอาให้ัหมดจุดมันถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้เราควกหัดปฏิบัติเราก็ต้องรู้จุดของการเดินเดินอย่างไรเราถึงจะถึงจุดหมายปลายทางเจริญสติเพื่ออะไรข้อหมายเพื่ออะไรศีล ส, สมมุติศีลวิมุติศีลสังคมมันเป็นยังไง อธิจิตอธิสินอธิวินัยเป็นอย่างไรเราก็ต้องพยายามทําความเข้าใจถ้าเรารู้จักจุดอยื่น้องกิตแล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็มีตั้งแต่ความสุขเจ้าปฏิบัติไม่รู้ทานน้องกิตก็วิ่งอยู่อย่างนั้นหละเกิดอยู่งั้นหละอืมวิ่งหาตั้งแต่ทําอย่างนั้นเอาตั้งแต่ทำแต่ไม่รู้จักทำถ้าเราต้องพยายามให้เข้าถึงด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยส ก, กุลกิเลสได้ด้วยตั้งแต่ก่อนหลวงพว่อก็ว่าจะไม่คิดไม่ทําไม่สร้างอะไรเลยตะวันเป็นภาระพอมาเข้าใจแล้ว เปลี่ยนจากภาระมาเป็นหน้าที่ออกจากหน้าที่ก็มาเป็นรับผิดชอบให้กับทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขตั้งแต่ก่อนเข้าไปอยู่ป่ายชาใหม่เดินเที่ยวทุกดง ข, ขึ้นเขาลูกไหนอยู่บนเขาลูกไหนก็โดยจิตวุ่กนก็เฉยไม่เกิดไม่ดิน้รนรนไม่อะไรไม่มีความทะเยอยานอยากแล้วมันก็ขับไปอยู่กับพี่ก็เลยไปปักกลัดอยู่ฝ่ายช้านที่คนเก่งนั้นนั่งแต่ก่อนไม่น่าอยู่อืมเราทําเราอยู่ทีนี้เราก็สร้างประโยชน์เพื่อให้ส่วนร่วมใครไปใครมาก็ ให้มีที่พักที่พึ่งที่พิงที่อาศัยแล้วก็ให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขให้ปฏิพิติปฏิบัติให้เข้าถึงทําให้เร็วให้ไวตั้งแต่ก่อนกดติกระตทบแต่ละหลังก็จะได้ขึ้นมาเนี่ยยังแค่กระตทบมุงย่าคาก็ยังลําบากอยู่ต้องทําทางตรงกลมให้เดินทุกคนตั้งแต่สมัยก่อนหลวงพ่ออาจจะเข้มงวดอยู่แต่ละค่ําแต่ละคืนเนี่ต้องเคี่ยวเข็นเดินจเจริญสติให้หนักนลวงพ่อต้องตรวจ ด, ดูแต่ละคืนก่อนที่จะนอนตรวจ ด, ดูเดินตรวจ ด, ดูนี่ถ้านั่งคุยกันไม่ได้หรอก ทุกคนต้องเร่งทําความเพี่ยนเจเริญสติบางคนบางรายเนียก่อนที่จะพูดจะคุยกันในีต้องมีคนพ่อยามอะ่ะกลัวหลวงพ่อใช่ไปเจอบางคนก็ไม่เดินจงกรมก็เอาขาลากดินไปเหมือนกับ ท, ทําเป็นทีเป็นเดินจงกรมหนักน <laughs> ทีเด็ดมันหลอกนะเนลยแฉเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเราขาลากให้มันเป็นร อ, อยอย่เหมือนกับเราเดินหนักนะทีเด็ดได้หลอกตัวเองหลอกหลวงพ่อ ก็เลยมาวิเคราะห์มาพิจารณาดูว่าคนเราจะรู้ทําไม่ต้อง บ, งบอังคับกันรอกถึงเวลาถึงเวลาถ้าฝากไปเขาก็จะรู้เองเพียงแค่เราประครับประคองภายนอกให้กุที่ก็า ท, าทางถ้าคนในร้างอันนี้สงสั่งบนสั่งบา ร, รมีมาดีแล้วก็ประครับประคองให้ถูกที่ถูกทางก็จะเดินไปได้เร็วได้ไวทั้งจุดหมายปลายทางถ้าคนเราจะไม่เอาแล้วจะบังคับยังไงมันก็ไม่เอาถึงว่าการประกฤตปฏิบัตินีไม่อยากจะบังคับใคร ต้องให้รักด้วยศรัทธาจากความมือสุดใจแล้วก็ทําความเพียรให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยตนของตัวเองที่แท้จริงนั้นได้ถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วได้ไวเสียงแค่เออเราไม่เข้าใจแนวทางเรารู้จักแนวทางแล้วก็เร่งทําความเพียรอยู่คนเดียวเราก็เร่งทําความเพียรไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเขาดูเขา ร, ขารู้เขาเห็นทุกปุริยาบทตั้งแต่ตื่นขึ้นมาการจเจริญสตินั้นรู้ลมรู้กายรู้การเดินต่อไปนั่นก็ลึกรู้ถึงจิตรู้ถึงความคิดรู้กิเลสอยากกิเลสละเอีดดยดรู้นิวรณ์ธรรต่างๆบนทิน ต่างๆเราก็ต้องทําความเข้าใจเราค่อยละแต่ละเล็กแตละน้อยถ้ามันหมดมันก็หมดเป็ถ้ามันหม ด, ม, ห ม, ดมันก็ต้องหมดถ้ามันจบก็รู้ว่าจบอันนี้เรื่องกายนะอันนี้เรื่องจิตนะกายของเราเป็นอย่างงี้จิตของเราเป็นอย่างนี้จิตของเราลึกลงไปยังหลงความคิดหลงอารมณ์อีกบางทีจิตไม่มีกิเลสเขาก็สงบเขาก็นิ่งจิตไม่เกิดเขาก็สงบอยู่คนเดียวก็สนุกอยู่หลายคนก็สนุกเร่งทําความเพียใทําความเข้าใจ ถึงเวลาถึงเวลาเขาก็จะสงบระงับได้เองไม่ใช่ว่าต้องอ่อให้สงบให้หลับคาเบี้ยวนี้เวลานี้มันไม่ได้หรอกเราต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยทําความเพียรไปเรื่อยๆแล้วก็ดับแล้วก็ละไปเรื่อยๆถึงเวลาแล้วก็เต็มอิ่มช่วงที่ยังไม่ถึงเวละถึงเวลาเราก็สร้างบา ร, รมีของเราไปด้วยจเจริญสติเขาไปดูด้วยละได้บ้างไม่ได้บ้างกาพยายามละพยายามทําความเข้าใจทั้งภายนอกภายในภายนอกก็สมมุติก็จะบริบูรณ์ส่งผลทั้งจิตใจเหมือนกับหลวงพ่อพาทำวัดพาสร้างอะไรต่างๆให้สมมติบริบูรณ์ ทุกคนมาก็ได้รับความสงบความสุขนั่นแหละทังด้านจิตใจแล้วก็ละกิเลสมันก็จิตใจของเรามองเห็นโลกนี้เป็นธรรมดาจิตขงเราว่างเราก็มองเห็นโลกนี้เป็นของว่างถ้าจิตเราไม่ว่างก็มองเห็นโลกนี้เป็นของวุ่นวนเพราะวันวุ่นจากภายในจิตของเราดีแล้วก็มองเห็นโลกนี้ดีจิตของเราเป็นธรรมเราก็มองเห็นโลกนี้เป็นธรรมถ้าจิตของเราเป็นโลกยังไงมันก็มองเห็นเป็นโลกอยู่ดีเพราะจิตไม่ได้อยู่ในองค์ของวิหารธรรมคือความว่างความมืดสุดของจิต มันก็ไม่เหลือวิสัยลบกายวิเวกเป็นอย่างนี้จิตวิเวกเป็นอย่างนี้มันได้หมดถ้าคนเรารู้จักศึกษารู้จักคน้นคว้ามันมีไม่มากมีอยู่ที่กายของเราเนี่ยมองหน้ามองซ้ายมองขวามองลงตรงกลางใจของเราเนี่ยภาร ะ, ะหน้าที่สมมุติมันคลายลงไปแล้วเมดถึงจิตกายวิเวกจิตวิเวกเป็นอย่างไรภาร ะ, ะหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบจิตที่เจริญพรมิหารมีความเมตตาเป็นอย่างไรเราก็ต้องพยายามเดินให้มันถึงให้เกิดขึ้นในใจของเราจริงๆ คลายออกให้หมดจริงๆแล้วก็รู้จักเอาสติปัญญาไปบริหารแทนไปทําหน้าที่แทนยังสมมุติให้เกิดประโยชน์มันก็ไม่เหลือวิสัยนะจะถามอะไรก็ถามนะเพื่อดูการให้ดูคนไปทำหลวงพ่อครับคนที่มีความโกรธบ่อยๆครับหลวงพ่อที่เขาบอกว่าถ้าเกิดดับดับบ่อยๆมันจะยิ่งทําให้เขาแบบเก็บกดแล้วก็เวลาเขาโกรธเขาจะโกรธแรงครับ <Ừ. S 2> หรือว่าบางคนก็บอกว่าให้ตามรู้เลยมันจะได้ไม่เก็บอารมณ์นี้ยค่ะตามรู้เลยแล้ว ก, การรคนที่มีความโกรธถ้าเราไม่ดับถ้าเราตามรู้มันก็เพิ่มอาหารในจุลเอตตัวโกรธให้มากขึ้นถ้าเราดับตั้งแต่ต้นเหตุถ้าเขากาะตัวแล้วก็ดับตั้งแต่ต้นเหตุกําลังของการส่งก็ไม่มีเขาก็จะนิ่งขึ้นถ้าเราดับได้แล้วแต่เราต้องให้อโหสิ ก, กรรมทําในสิ่งตรงกันข้าม อโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยทานให้แช่ว่าดับเฉยๆแล้วก็มองโลกในทางที่ดีเลื่อกขอศพพวกส่วนที่ดีๆไม่แช่ว่าดับแล้วก็ไม่ให้อภัยทานไม่อโหสิกรรมไม่คลายความโกรธออกจากใจของเราถ้าเราไม่วดปล่อยให้มันเกิดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขาก็สะสมกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ถ้าเราดับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็จะเริ่มพมิหารเข้าไปทดแทนจิตใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นขึ้นไม่ใช่ว่าดับเฉยๆนะเราดับด้วยแล้วก็เพิ่มพมิหารกวาเมตตาเข้าไปทดแทนด้วยเราดับครั้งที่หนึ่งการดับของเรามีหลายระดับระดับครั้งแรกหรือว่าระดับต้นเหตุตั้งแต่ก่อตัวระดับตั้งแตต้นเหตุหรือว่าระดับกลางหรือว่าระดับกายกับวาจาถ้าความโกรธ จะออกมาทางกายทางวาจาเราดับไม่ได้เราก็ใช้ปัญญาหลบปีกใช้กอดในการเวลาเป็นตัวขี่คลายทำบ่อยๆไม่ใช่ว่าดับครั้งหนึ่งครั้งเดียวมันจะหดหายไปเลยเราต้องทํำบ่อยๆ อ, อันนี้สำหรับความโกรธตัวอื่นก็เหมือนกันหมดความอยากก็เหมือนกันความเทยทะยานอยากก็เหมือนกันความโลภ ก, ก็เหมือนกันหมดมันก่อตัวตรงไหนเราก็ต้องดับตรงนั้นจิตเกิดติดก่อดตัวเราก็ดับตั้งแต่การก่อดตัว อันนี้สาหรับตัวจิตโดยตรงแต่อาการของจิตอีกทีนึงที่เราต้องไปคลายต้องไปสังเกตสร้างกลัสังเกตบ่อยๆให้จิตของเราคลายออกจากอาการของความคิดของอารมณ์ที่งเป็นฝ่ายนํามาทําด้วยกันนั่นแหละความหลงถึงจะคลายลงไปได้แล้วก็ดับความเกิดของจิตได้เอดับบ่อยๆก็เห่่อแห่งลงเห่่อแห่งลงจิตก็จะสงบนิ่งขึ้นจเจริญพรหมีหารเมตตาให้สูงขึ้นความรับผิดชอบไม่สูงขึ้นทําความค่อยเจกับโลกก็ทำแปดด้วยทําความค่อยใจกับส ม, มุติด้วยวิมุตติด้วย ทำความค่อยใจกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่านี้เป็นการละความโกรธละความโกรธเราละความโกรธได้แต่เรายังคลายความโกรธไม่ได้นะเราต้องพยายามหัดคลายจิตออกจากความคิดออกจากอา ร, รมณ์อีกทีหนึง่งการละความโกรธการดับความโกรธอันนี้นไม่ขึ้นกับตัวจิตโ ด, ดยตรงถามนะเมื่อกี้หลวงพ่พูดถึงการเพิ่มพลังให้จับจิตให้จับตัวจิเนี่ยโดยที่นัดกันมาวิธีอีกสักครั้งยงังไม่ทัน าการเพิ่มกําลังให้จิตถ้าพูดตามหลักของหลักธรรมแล้วก็คือสมถะนั่นแหละหนุนกําลังจิตสร้างกําลังจิตหนุนกําลังสติเข้าไปพิจาราณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราไปพิจาราณาได้เลยนอกจากจิตของเราจะสงบแล้วถึงสติปัญญาของเราพิจาราณาได้ตลอดเวลาอันนี้กลายเป็นปัญญาพิจาราณาได้ตลอดเวลาถ้าจิตยังเกิดอยู่เขเรียกว่าเราต้องดับต้องควบคุมแล้วแต่อบายของแต่ละ บ, บคุคคลว่าจะดับวิธีไหนดับด้วยการ กำหนดหรือว่าสร้างความรู้สึกใการหายใจหรือว่าสร้างความรู้สึกที่การเดินหรือจะใช้อุบายไปทําอย่างอื่นเราพยายามดับตั้งแต่ต้นเหตุแล้วก็หนุนกํบบามังสติเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุหับผลถ้าเรายังไม่เห็นนะถ้าเราเห็นอาการของกิจเราก็ต้องตามดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ก่อนแล้วก็สติปัญญาไปพิจารณาให้กิจรับรู้ทุกเรื่องเขาถึงจะยอมรับได้ ถึงถ้าเราไม่สร้างสะสมกําลังจิตจิตเกิดท่งออกไปภายนอกจิตวันไหวจิตภาวะจิตเป็นธาตุของอารมณ์จิตเป็นธาตุของกิเลสอันนี้เขาเรียกว่าอจิตส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลากําลังมันก็ไม่มีถึงจะมีกําลังแต่มันก็ยังอาศัยอํานาจของกิเลสอยู่ทิฏฐิของกิเลสอยู่ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้จิตจะขาดพลังทันทีเพราะมันขาดเพื่อนเพื่อนเก่าคือตัวขันห้าหรือว่าทิฏฐิเกิดจากจิตนี้จะขาดพลัง เหมือนกับว่าเววังเวงเลทีเดียวเราต้องเจริญสติเข้าไปเป็นเพื่อนของจิตไปหมั่นท่าสอนจิตตัวตเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจิตจะเกิดส่งไปข้างนอกเราก็ดับจิตจะเกิดยินดียินายจิตวันไวจิตพวหาเราก็ดับแล้วก็หยุดหยุดนั่นแหละดับหยุดให้เขานิ่งใน้เขารับรู้เพราะว่าจิตเป็นธาตรู้แต่เวลานี้จิตหังเยังหลงอยู่เราต้องคลายคมหลงใส้ก่อนแยกรูปแยกนามก็จะคลายคมหลง ออกเกียใจของเราแล้วก็สัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความรู้ตัวของเราทั้งเผือไปสักกี่เที่ยวไปสักกี่ครั้งเพียงแค่การเจริญสติเราก็ยังทํากันไม่ต่อเนื่องเพราะความเคยกินขก่าความคิดเก่าปัญญาเก่าอาจจะถูกอยู่ในระดับของสมมุติแค่นั้นเองเราต้องพยายามเจริญความรู้ตัวให้มากๆทั้งเผือเราก็เริ่มใหม่อย่าไปเจ็ดคานตรงนี้ถ้าสติหรือว่าความรู้สึกตัวของเรายัง รู้ไม่เท่าทันจิตกับความคิดหรืออาการของคันห้าแยกออกจากกันกําลังสติความรู้ตวของเราจะพังเสือถ้าเราแยกกันได้แล้วถ้าเราสังเกตกจิตของเราคลายออกจากความคิดแล้วกําลังสติของเราจะตามทําความเข้าใจอาการเกิดการดับของคันห้าเลีย ว, ว่ารู้อนิจจังทุกขังอนิจตตาในคันห้าทุกเรื่องถ้าเราหมั่นวิเคราะห์พิจารณาตามดูกําลังสติก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นจนยับยั้งไว้ไม่อยู่จนกลายเป็นมหาสติ ถ้าเราไม่พิจารณาเขาก็กลับคืนสู่สภาพเดิมนี่ก็มีไม่มากถ้าคนเราจะเอาจริงๆมีไม่มากแล้วก็ไม่ยากด้วยแต่พวกเราทําให้ยากเพราะว่าอยู่กายของเราในกายในใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเอาเรื่องน้นมาปิดเอาไว้เอาเรื่องนี้มาปิดเอาไว้ี่ปิดมันก็ปกปิดของขอเอาไว้อีกขันห้าก็มาปิดเอาไว้อีกนี่วอนก็มาปิดเอาไว้อีกกายเนื้อก็มาปิดเอาไว้อีกทีนี้ก็พาละหน้าที่การงาน ภายนอกก็มาปิดเอาไว้อีกมันหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนอันนี้อยากจะให้ชีนุชอธิบายเรื่องหอวหอมให้ฟังก็ดีนะอืพอชอบปลอกหอวหอมชอบปลอกครัวปลอกไปปลอกมาก็เห็นจิตของตัวเองอยงั้นมันมีหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนเห็นจิตแล้วก็หลงดีใจอยู่งั้น่ะเป็นฟื่อมอยู่งั้นจิตก็เกิดอยู่งั้นนะถึงไม่ยืดทําไงเราถึงดับกอมเกิดลงไปอีกไม่ต้องการให้จิตเกิดไปก่อภพก่อชาติอีกขึ้นเลย จิตเขาได้เกาะพกของมนุษย์นี่แหละเราได้เกาะได้เกิดมาเป็นพกของมนุษย์แล้วเขาได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจตรงจุดนี้ถ้าคนเราจะรู้ความเป็นจริงแล้วเราต้องขยันมันเพียนตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มในการจเจริญสติมีศรัทธาน้อมกายเข้ามาน้อมใจเข้ามาในความเสียสละในความอดทนเสียสละมีความสุขมีความยินดีในการเสียสละมีความพอใจในการฝึกฝนตนเองมันปักไปเหมือนสนใจถ้ารู้แล้วเห็นแล้วจะสนุก ฝึกเพื่อดูเพื่อรู้เพื่อทําความเข้าใจแล้วก็รู้ความจริงแล้วก็วางให้หมดอันนี้ไม่มากหรอกแต่คนเราจะเอาฟังนิดเดียวแล้วไปเร่งทําความเพียรเอาอันนี้สงผลบุญมีแล้วถึงได้บวชถ้าไม่มีไม่ได้บวชหรอกกายเนื้อก็มีสติปัญญาก็พอที่จะรู้พอที่จะเจริญขึ้นมาได้อันี้ก็อันนี้บังคับกันไม่ได้นะบังคับกันไม่ได้ ถ้าคนเราจะเอานี่เปลียนแค่รูปแนวทางนิดเดียวไปทำความเพียรอสว่างเลยก็มีไม่ต้องกลับมาเกิดกันสมมุติว่าหลวงพ่อมีลูกศิษย์สมัคเป็นลูกศิษย์ใหม่ของหลวงพ่อคนหนึ่งเป็นคนที่มีปัญญาทางโลกใช้ชีวิตทางโลกมาช่ําชองแล้วแต่อยากจะเดินเส้นทางทางธรรมแล้วก็ไปให้ถึงที่สุดเหมือนเดียที่หลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่หลวงพ่อได้ให้เขาเริ่มต้นยังไง มันกเนนน็เริ่มต้นมาตั้งนานแล้วเริ่มต้นมาตั้งนานปัญญาก็เต็มรอบมาตั้งนานเพียงแค่เรากับคลายจิตของเราออกไปเย็นดูเป็นผู้ดูผู้รู้ใช้ปัญญานั้นให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองแค่นี้ลูกศิษย์คนนี้ที่เข้ามาสมัครใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีความรู้เรื่องทางธรรมแล้วก็ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมจะให้เริ่มต้นจากกอกไก่ยังไงถึงจะไปถึงฮอดอกกู่ของหลวงพ่อได้ อันนี้ตามความเป็นจริงทุกคนก็ปฏิบัติทำกันมามากหลายภพหลายชาติแล้วก็เกิดมาจากเด็กน้อยก็เป็นเด็กใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาได้รับการเรียนผ่านการผ่านเวลาผ่านทุกผ่านหนาวผันร้อนอันนี้เป็นการปฏิบัติรู้จักรับผิดชอบผิดถูกชัว่วดีรู้จักอะไรเป็นทางกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรคือบุญและอายเกินกลัวตบบาทอันนี้คือการปฏิบัติอยู่ในระดับคสมมุติโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราไม่ได้ปฏิบัติทุกคนปฏิบัติตรงนี้มาหมดแต่ไ การเจริญปัญญากันแยกรูปแยกนามตรงนี rat, ้ต้องน้อมใจของเราเขาหมากฝึกความรู้สึกตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างให้ต่อเนื่องเพียงแค่เจริญสติให้ต่อเนื่องตรงนี้แหละพวกเราทํากันไม่ค่อยจะต่อเนื่องก็จะเอาตั้งแต่ปัญญาเก่าๆไปใช้อย่างเดียวเราก็ต้องพยายามมาเจริญสติให้ได้เสียก่อนหัดสังเกตวิเคราะห์ให้ได้เสียก่อนถ้าเรารู้ความจริงแล้วเรารู้ลักษณะของจิตรู้ลักษณะของความบ้างรู้ลักษณะการเกิดการดับของความคิดแยกใครแยกรูปแยกนามใครขมหลงได้ ช่วงนั้นแหละถึงจะกลายเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงจนเราเอาไปใช้ก็สมมุติได้ตลอดเวลาช่วงใหม่ๆนี้สมม่วนมากจะกระโดดข้ามจะกระโดดข้ามกันเองแกกระโดดข้ามจะเอาตั้งแต่ปัญญาขั้นสูงอย่างเดียวไม่ค่อยจะเริ่มต้นรู้ฐานองคกิตมึงก็เลยปลกปิดดวงกิตเอาไว้เท่านั้นเองก็เลยปกปิดดวงกิตเอาไว้เราต้องเริ่มต้นน้อมเข้าไปดูฐานองคกิตให้ได้ต้งองเราให้ได้ใช่ก่อนจะวิชาปัญญาความรู้มากมายถึงขนาดไหน แต่เราไม่ได้ทิ้งหรอกเราวางเอาไว้เราไปดูรู้ฐานองคจิตว่าเขาเกิดยังไงเขาก่อตัวยังไงความคิดผุดขึ้นมาพงแตจกจิตของเราได้อย่างไรทําอย่างไรเราถึงจะคลายได้ตามดูได้รู้เห็นได้จนจิตรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ตรงนี้เหรอเราต้องเสียสละเวลานอกกายนอกแจงนอกกายของเราเข้ามาเจริญสติเข้าไปศึกษาดูใหม่ๆก็อาจจะเป็นการฝืนเขาเรียกว่าทวนกระแสเพราะาจิตของทุกคนชอบคิดชอบเที่ยวเราดับไม่ให้จิตองเราส่งออกไปภายนอกว่าอึดอัดบางทีก็วิ่งไปโน่บ้างวิ่งไปที่นี่นั่นบ้าง วิ่งอยู่ในกายของเรานั่นแหละการประพฤติการปฏิบัติจิตนั้นต้องเก็บรายละเอียดรายละเอียดให้มากที่สุดมแม้แต่การก่อดตัวการเกิดความอยากเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอยากแกมีอยากแากแ่กเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมาถ้าเป็นความอยากหรือว่าเป็นความเกิดที่เกิดจากตัวจิตนี่ให้ดับแม้แต่อยากจะรู้ทำเราก็ต้องดับเราต้องจเจริญสติเข้าไปดับเข้าไปดูเข้าไปรู้ไอ้ดับนี้หมายถึงดับที่ตัวจิตนะถ้าเป็นอาการของจิตนั้นต้องตามดูให้จิตรับรู้ ถ้าจิตเคลื่อนเข้าไปร่วมแล้วก็ให้หยุดเอาไว้ดับเอาไว้จงกว่าจะจิตของเราจะคลายออกรู้เห็นการกอดตัวเข้าไปร่วมได้เขาก็จะคลายของเขาออกโดยธรรมชาติของเขาถ้าคลายออกไปได้จิตก็จะหงายหรือว่าจิตพลิกจากสมมติไปหาวิมุตินั่นแหละสติถึงจะตามดูรู้เห็นความเป็นจริงได้เห็นการเกิดการดับได้ไม่ใช่ว่าตามดูครั้งสองครั้งตามดูแค่วันสองวันแล้วมันจะคลายมันไม่ใช่นะมันเพียงแค่รู้เปิดแนวทางให้ ตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกเรื่องที่เขาเข้ามาปรุงแต่งจิตหรือว่าจิตปรุงแต่งส่งออกไปข้างนอกไม่ใช่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วปล่อยฝะละเลยตามเลยเราต้องตามความเข้าใจเข้าใจแล้วก็ละแล้วก็ดับจเจริญพรมีหารความเมตตาเข้าไปทดแทนทุกเรื่องไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเข้าใจเลยจะสรุปได้ไหมครับว่าในขั้นต้นคือเอาปัญญาทางโลกที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยบางลงก่อน แต่พิ่งเอามาสับสดสองคือจเจริญสติเข้าไปให้ต่อเนื่องด้วยความเพียรเพื่อให้สตินี้เข้มแข็งขึ้นโดยการให้สตินั่นไปตามรู้กายรู้ใจแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ดับได้เพราะว่าสติยังไม่แข็งแรงก็ตามดูรู้ไปเรื่อยๆก่อนพอดับได้ก็ดับพอดับได้ก็ดับพอหยุดได้ก็หยุดถ้า<ช>ตามดู<ช>ตามรู้ ม, มันเหมือนกับวิ่งตามเฉย วิ่งตามเฉยแต่ถ้าเราดับเราควบคุมได้มันก็อยู่ในอำนาจของสติของเราต่อไปหน้ากําลังสติของเราก็ทําหน้าที่แทนได้เสียง แ, แค่ดับระงับให้อยู่ให้ได้พวกเราก็ยังดับไม่ได้หยุดไม่ได้ก็มี้แต่ตามดูตามรู้ตามเห็นมันก็เกิดอยู่งั้นะการเกิดของกิจนั่นแหละคือสมุทยัยแล้วก็หลงด้วยเกิดด้วยแล้วก็ยึดด้วยทั้งที่รู้รทั้งที่สติของเรารู้นั่นแหละเพราะความหมาย ดับจิตของเราพ่อหมายถึงไม่ให้เกิดให้สติไปควบจิตไม่ให้วันไหวเราควบคุมขณะที่เขาเกิดเท่านั้นแหละถ้าเขานิ่งแล้วเราก็วางเขาไม่ใช่ควบคุมตลอดเราหยุดนะครับดับไม่ให้จิตเกิดขณะที่เขากาะตัวขณะที่เขาเกิดไม่ให้ปรุงแต่งแล้วก็ไม่ให้วันไหวไม่ให้ให้สงบแล้วก็รับรู้อยู่ภายในแต่เวลานี้จิตของเรามันก็รู้อยู่แต่การเกิดของเขาเขาก็มีอยู่ ยังไปเสวยอารมณ์อยู่ยังยินดียินไล่ยอยู่ยังเป็นท่าของกิเลสอยู่ทําอย่างไรสติถึงจะเข้มแข็งขึ้นในเวลาใกล้เอเราต้องสร้างอยู่ตลอดเวลาทั้งแต่ตื่นขึ้นมาสร้างความรู้ตัวแล้วก็ทําความไว้ใจกับนิวรณ์ให้ชัดเจนจิตของเราเกิดความกังวลพุ่งส่านไหมกําหนัดยินดีในรูปลดจินเสียงไหมความรู้สึกตัวของเราพลังเผลอไหมขาดไหมนี่ตรงนี้สําคัญ เราต้องกระตุ้นความรู้ึกให้ต่อเนื่องพอจะหลุดเขาจะขาดเราก็ตุ้นความรู้ึกให้ต่อเนื่องถ้าเราทําได้ต่อเนื่องส่วนจิตการเกิดกันดับของจิตก็มีอยู่แล้วการเกิดกระดําขันห้าอยู่แล้วถ้าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันความรู้ตัวตรงนี้ก็จะไปรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเขาจะคลายออกจากกันได้เองการตามไปดูจิตของหลวงพ่อใช้อะไรจะไปดูฮนะหลวงพ่อตามันตามดูมองไม่เห็นนะ่ะ ก็ความรู้สึกตัวที่ที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละตัวสติความรู้ตัวนั่นแหละรู้ตัวแล้วก็รู้ลักษณะของกิิตใช้ตาของสตินะใช้ความรู้สึกตัวตาในนั่นแหละแล้วเราสร้างตาในของเรานั่นแหละน้นอมเข้าไปดูในกายของเรารู้เข้าไปในกายของเรามองบนมองล่างมองกลางมองซ้ายมองขวาเรามองตรงกลางรู้ตรงกลางมันจะเกิดอยู่ตรงไหนเราก็ดูตรงนั้นแหละดูให้มันทนันดูให้มันทันตลอด อออันนี้ความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานะอันนี้การเกิดการดับของจิตเป็นอย่างนี้นะบางทีเหตุการณ์จากข้างนอกมาทําให้จิตเกิดหรือว่าเกิดขึ้นจากข้า ง, นางนาในเราต้องดูบางทีเราดับข้างในไม่ได้เราก็ต้องดูหาสาเหตุจากข้างนอกมาทําให้จิตเกิดเราต้องแก้ไขข้างนอกด้วยแล้วก็ดับข้างในด้วยอีกอย่างหนึ่งวิบากกรรมสมมุติถ้าเขายังไม่คลายมันก็ยากที่จะจิตที่จะคลายออกจากอาการของความคิดได้เหมือนกันถ้าไม่ถึงการถึงเวลาประจบเหมาะจริงๆเขาก็ยากที่จะคลายออกจากกัน สำหรั บ, บคนเริ่มต้นที่ยังไม่คล่องแคล่วว่องไวในการดูจิตแล้วก็ทำสน์ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยการที่จะให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจของอนาปานาสตินี่จะเป็นขั้นต้นที่ดีที่หลวงพ่อแนะนําอยู่ก่อนนะครับเราก็ต้องมีความรู้โดยที่การหายใจเขาออกซึ่งเป็นธรรมชาติมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเราเรียกว่ามีสติรู้กายของเราไว้เป็นหลักให้ก่อนเพราะว่าสติต้องเน้นลงอยู่ที่กายให้ได้เสียก่อนแล้วก็ให้ต่อเนื่องอยู่ที่กายได้เสียก่อน จะไปลงในที่อื่นไม่ได้เลยต้องลงในที่กายแล้วแต่อุบายจะลงไว้ที่ไหนก็ได้ที่การเคลื่อนไหวของกายหรือว่าหรือจะเอาสติปัญญาของเราไปพิจารณายกกายขึ้นมาพิจารณาถ้าจิตจะเกิดเราก็ดับแต่หลักสําคัญจะขํามเข่งมากมายถึงขนาดไหนสติเน้นลงที่กายถึงขนาดไหนเราต้องให้รู้ฐานองค์จิตให้ได้สิครับก็เพื่อที่จะรู้ฐานองค์จิตแล้วก็ควบคุมจิตแล้วก็รักกิเลสคลายกิเลสคลายข่มหนงอกอกจากจิตให้ได้ถึงจะ เดินปัญญาตัวสูงได้อย่างละเอียดหมดถ้าขาดการเจริญสติเข้าไปรู้ฐานองค์กิตเข้าไปดูการเกิดการดับมันกรหน้าอย่าไปหวังเลยเรื่องวิปัสนามีตั้งแต่วิปัสสนึกเนื้อคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาสารพัดอย่างมีตั้งแต่วิปัสสนึกจะยกกายขึ้นมาพิจารณาก็ถ้าจิตยังเกิดยังยกกายขึ้นมาพิจรณาตัวจิตมันยกขึ้นมาพิจรนาตัวจิตมันไม่เป็นตัวธทำตัวองค์ทำมันยังเกิดอยู่เราต้องทำจิตของเราให้สงบนิ่งนั่นแหละ ตัวทำถ้าเขาสงบแล้วก็ขาก็ปกติถ้าเขารับรู้สติปัญญาพิจารณาให้เขารับรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงถึงจะเป็นปัญญาธรรม ท, ที่แท้จริงถึงตัวจิตจะส่งไปพิจารณาถึงจะพิจารณาธรรมยังไงมันก็ยังเป็นกิเลสธรรมอยู่ดีๆเพราะจิตยังเกิดอยู่สําหรับคนที่สุดในขั้นต้นนี่มันก็คงจะสลับกันไปสลับกันมาคือยังคงไปดับ ให้หมดจดไม่ได้ดังนั้นไอ้กิเลส ท, ทรรมก็คงเข้ามาแทรกบ้างมันก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความต่อเนื่อง อ, อีกอย่างหนึ่งนั้นเราเน้นกายของเราเข้ามาฝึกให้กําลังสติต่อเนื่องกันสักหน่อยเข้มแข็งสักหน่อยมีรู้ฐานของจิตรู้การดับการควบคุมรู้การสังเกตการวิเคราะห์น้อมดูรู้กายของเราบ่อยๆกาลังสติก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แล้วก็พยายามจะรู้ให้ได้ทุกระยาบทขณะยืนเดินนั่งนอนหรือว่ากินอยู่ขับถ่ายทําการทํางานสติก็น้อมดูรู้กายรู้จิตของเราแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ทำบทจิตของเราไปด้วยจิตของเราเกิดเราก็รีบดับจิตจะเกิดจินตียินไลเราก็รีบดับทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกที่ว่าสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังหรือว่าแยกรูปรถกินเสียงออกจากจิตของเราหูตาจมูกเล่นกายเขาทน้าที่ของเขาอยู่อย่างนั้น วิญญาณก็ทำหน้าที่อยู่งี้แต่วิญญาณของเราตอนนี้เวลานี้ยังเกิดยังหลงยังมีแต่ความสเสียดะยานอยากยังไปจัดปรุงแต่งสมมุติ อ, อนันนู้นอันนี้เราต้องพยายามดับภายในของเราให้มันลบาบข้ามสก่อนสติปัญญาของเราจะทำมากทำน้อยอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่จะทำสมมุติอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์เพียงแค่เราจะฝืนคลายจิตออกจากค้มหลงละกิเลสดับค้มเกิดของกิตของเราให้ได้หมดจดต้องอาศัยความเปลี่ยนและอาศัยการเวลาด้วยตรงนี้สำคัญ ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บเด็ดขาดปุ๊บเราอาจจะดับได้วันนี้วันพรุ่งนี้มันอาจเกิดอีกมันเกิดเมื่อไหร่เราก็ดับเมื่อ น, นั้นตัวไหนมันเกิดเข้ามาเราก็ดับตัวนั้นหลยก่อนละตัวนั้นหลยก่อนดับแล้วก็เจริญพรหมิหารเข้าไปทดแทนทุกเรื่องคลายออกกับแก่ของเราอย่าไปเก็บไปกักไปขังเอาไว้ให้คลายออกสำหรับออกให้มันหมดไม่ให้ขังเอาไว้แล้วดับเราคลายที่นั่นทีนี้มันก็ตั้งแต่ก้างเหตุปลายเหตุมันเกิดถึงต้นเหตุพอถึงต้นเหตุแล้วกําลังมันก็ไ ม, ม่มีส่งต่อมันก็จะนิ่ง ถ้าเราดับไปบ่อยมันก็เหือดแห้งไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยให้มันเกิดมันก็สะสมกําลังม า, มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าคันหน้าไม่ว่าตัวจิตถึงเวลามันเกิดเหตุการณ์แล้วก็ออมนั่อยู่เราต้องรู้สิจิตของเราเนื่องอยู่ถ้าอาการตรงขันหน้าผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเป็นกุศลหรือว่ากุศลอีกสติต้องตามดูรู้จิตต้องรับรู้ถ้าจิตเข้าไปร่วมเราก็ดับอีก น้งมันตรวจสอบจิตของเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเขาออกเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับขณะตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเรานอนหลับเรามีสติรู้จิตว่าจิตไปยังไงไม่ไงเราแก้ไขได้หรือไม่ได้ก่อนที่จะนอนเราก็ย้อนตรวจเข้าไปดูอีกว่าตั้งแต่เช้ามาเราพังเผื่อให้จิตเด็ตัวไหนบ้างตัวไหนมันเกิดขึ้นมาบ้างเราดับได้ไหมเราก็อาจะเอาไปแก้ไขในวันต่อไปอีก หรือว่าข้ากําลังสติของเรามีมากเราก็ย้อนดูตั้งแต่วันที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมากิเลสตัวไหนมันเกิดขึ้นกับเราเราจะได้ออกมาแก้ไขขณะเราดูรู้อยู่ปัจจุบันดับอยู่ปัจจุบันเราก็ต้องพิจารณ์เอามาแก้ไขอยู่ปัจจุบันทุกเรื่องเราต้องรู้ว่าจิตของเราสงบนิ่งเป็นหลักเสียก่อนก่อนที่จะเอาสติปัญญาไปวิเคราะห์ตัวจิตไปวิเคราะห์หรือตัวสติวิเคราะห์ถ้าจิตวิเคราะห์ร อ, อให้ดับเลยยังเป็นกิเลสทำอยู่ ต้องเอาสติปัญญาไปวิเคราะห์แล้วก็ให้จิตรับรู้เราต้องตรวจสอบเราตลอดเวลาถ้าผิดพลาดติดเดียวมันก็รู้ทันทีถ้ามีสติรู้ตัวในปัจจุบันการยึดถือขันห้าในตัวอะไรเป็นไปยึดอะไระครับพ่อตัวการยึดถือขันห้าไอ้กายนี้ก็ก้อนรูปอันนี้ยกไว้ต่างหากเราต้องไปคลายจิตออกนามมาทาด้วยกันอีกนั่นแหละมันถึงจะวางอาการนองขันห้าได้โดยปริยายแล้วก็ตามทําความเข้าจใจรู้แจ้งเห็นจริง ถ้าเราปล่อยวางกายรูปกายเฉยแต่จิตยังไม่แยกจิตออกจากอาการของความคิดอีกมันก็วางกันหน้าไม่ได้แล้วก็รู้อยู่เพียงแค่ว่าอันนี้คือรูปอันนี้คือนามทั้งที่จิตก็หลงความคิดอยู่นั่นแหละมันเกิดอัตตา ต, ต, ต, ตัวตนตรงนั้นอยู่ในส่วนนามธรรมอยู่ถ้าเราแยกนามธรรมตรงนั้นได้คลายจิตออกจากความคิดได้นั่นแหละถึงเรียก ว, ว่าแยกรูปแยกนามเหมือนถึงจะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเข้าสู่ปัญญาวิปัสสนาได้จริงๆถ้าเรารู้ว่อนาอันนี้กายนะอันนี้จิตนะแต่จิตยังไม่ได้คลาย มันก็เป็นปัญญาอยู่แต่มันยังไม่เต็มรอบถ้าจะไม่ยึดถือกัอนหน้าเนี้เราจะทำอย่างไรฮะทิชไม่ให้มันยึดถือมันก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ทําความเข้าใจกับสมมุติกายของเรายังอยู่กายของเรายังอาศัยปัจจัยสี่อยู่ถ้าเราไม่ดูแลรักษากายของเราเราจะปล่อยให้ปล่อย ป, อยปะละเลยจะเป็นยังไงก็ช่างอันนี้จิตก็ยังอาศัยกายอยู่มันต้องลําบากเราก็ต้องทําความเข้าใจกับโลกทําความเข้าใจกับร่างกาย จนกว่าเขาจะแตกกระดับนั่นแหละใหเราวางที่จิตซึ่งเป็นหอยนาำ ม, มาทําด้วยกันแล้วก็พิจารกายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาอาการของกิดให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละถึงจะรู้จุดวางถ้าเรารู้จุดวางแล้วเขาก็วางถ้าเราตามดูแล้วเขาก็จะวางได้โดยปริยายวางได้โดยปริยายแต่กายสมมุติก็ยังอยู่แต่ไม่ให้สมมุติก้อนนี้เขาครอบงําำนั้นหมายความว่าในส่วนขันห้านั้นแยกรูกอปออกมาไว้สังหาก คืออย่างน้อยเราก็รู้ว่ารูปเป็นประกอบด้วยธาตุสี่เราต้องทําความว่าใจอีกสี่ส่วนนั้นให้ชัดเจนและตัววิญญาณสุดท้ายให้ชัดเจนอีกส่วนของนามนั้นมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้แต่ละตัวต้องแยกต้องรู้ดู ร, รู้ให้ชัดเจนอีกแล้วตัววิญ ญ, ญาณทั้งไปเข้ารวมกับกตัวส่วนที่เหลือได้ยังไงนั่นแหละ ม, มันไปอัตราตรงมันเกิดอยู่ตรงนั้นความหลงมันเกิดอยู่ตรงนั้น กายนี่มันเป็นผลพลอยได้ที่มันได้เกิดมาเป็นพบมนุษย์แล้วแหละก็กายไม่ต้องเอามาพนในขันห้านั้นขันนั้นเอาแยกออาไปเราแยกตรงนั้นทําความเข้ายใจแล้วเรามายกกายขึ้นมาพิจารณาทําความเข้ายใจกับกายแล้วก็ให้จิตรับรู้เห็นตามความเป็นจริงอีกชั้นหนึ่งแต่เราก็ต้องอาศัยกายนี้อยู่อากายสมมุติก้อนนี้อยู่ค<กาย>ือแยกสองชั้นนะคืออากายนี้รูปหนึ่งจิตกับอาการน้องจิตอาการน้องขันห้าซึ่งเป็นนามมาทำมาต้องสังเกตีให้จิตแยกออกจากตรงนั้นอีก มันก็จะได้วางอัตราโดยได้ปริยายถ้าเรายังแยกจิตออกจากอาการของขันห้าไม่ได้ถึงเราจะวางมันก็วางได้ระดับปัญญาของโลคีแค่นั้นเองจิตยังไม่ยอมรับความเป็นจริงคือต้องวางไม่ให้จิตเข้าไปรับอารมณ์ตรงนั้นเลยทุกอย่างเลยนะรับรู้รับทราบไม่เข้าไปยึดไม่ยินดียินไล่แต่รักษาให้ดีให้พื้นดิเบิดขาไปเลยเลย อุเบกขาแต่อุเบกขารับรู้แล้วก็ทําหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบต่อสภาพส่วนรูปแล้วก็ส่วนดวงวิญญาณตัวจิตเขาก็อาศัยกายนี้อยู่ถึงเวลาแตกดับนั่นแหละเขาถึงจะได้ปล่อยวางกันจริงๆพอว่ามีเหตุการณ์บังคับถ้ายังไม่ถึงวันละถึงเวลานั้นเราก็ไม่จิตของเราไปทุกนามาทำสี่ส่วนที่หลวงพ่อไว้ทําความเข้าใจก็คือตามรู้ตามดูไปใช่ไหมครับหลวงพ่อ ต้องคลายจิตออกให้ก่อนถึงตามดูต้องคลายจิตออกหรือว่าแยกจิตออกจากอาการของจิตให้ได้ใช่ก่อนถึงตามดูอาการของจิตนั้นอาการของความคิดนั้นถ้าแยกไม่ได้มันก็รวมกันมันก็ยังเป็นอัตราตัวตนอยู่ถึงเรารู้ว่ากายนี่ก็อยู่ส่วนกายแต่จิตยังเกิดอัตราอยู่เราต้องไปแยกอัตราซึ่งเป็นนา ม, มาทําด้วยกันอีกเมื่อจิตรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอตามดูจนละเอียดได้ทุกอย่างแล้วเขาก็จะเบื่อหน่ายไม่เกิดความเบื่อหน่ายเขาจะเบื่อหน่ายเอง เขาจะเกิดนิพพิธาเกิดความเบื่อหน่ายโดยปริยายถ้าตามดูมันขมสอนจิตตามดูขมสอนจิตอันนี้เราไม่อยากให้เขาเบื่อหน่ายเขาก็จะเบื่อหน่ายเองเพ่อเขารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นแค่เพียงอาการเป็นแค่เพียงมายาไม่มีตัวไม่มีตนทีนี้เราก็มากำจัดพวกมลทินที่เกิดจกากตัวจิตของเราพวกมลทินพวกที่ทําให้จิตของเราละเอียดลึกๆลงไปอาจจะมองเห็นคนอื่นตํายกตัวเองสูงมีความอิจฉาลิสยามองโลกได้แง่ร้าย มาทำความพอใจกันนี่วอนล้วก็ละนี่วอนเราละได้มากได้น้อยมันก็จะค่อยยกระดับจิตของเราขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจิตของเราจะสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นแหละจนข้ามของเขตอริยะน่ะเขตบุรุชนก็เขตอริยะได้นั่นแหละนงเนียเอาความว่างเป็นอารมณ์นั่นเละว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนั่นเลยล้วก็มองเห็นฝั่งเท่านั้นเองในสติประฐานสี่นี่นงพ่อ พิจารณากายในกายนี้พิจารณาอ ย, อย่างไรครเราต้องแยกจิตแยกรูปแยกนามไม่ได้เช็คก่อนแล้วก็ยกกายส่วนไหนขึ้นมาพิจารณาก็ได้ยกขนเล็บผันหนังหรือว่ายกเนื้อนกหนังอะไรขึ้นมาส่วนใดส่วนหนึ่งก็พิจารณาก็ได้กายในกายของเราเนี่ยหรือจะพิจารณาในภาพรวมก็ได้แต่ถ้าพิจารณากายในกายเราก็ยกส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพิจารณาจิตก็ว่างรับรู้อยู่เห็นตามความเป็นจริงอยู่แต่ยกจิตขึ้นมาพิจารณาจิตก็ว่างรับรู้เอาสติปัญญายกจิตขึ้นมาจิตก็ว่างรับรู้อยู่ จะพิจารณาเวทนาจิตก็ว่างรับรู้อยู่จะพิจารณาธรรมจิตก็ว่างรับรู้อยู่อันนี้แหละเขาเรียกว่าสติปัญสีเพราะว่าจิตมันคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าแยกรูปแยกนามแล้วถ้าจิตยังไม่คลายยังไม่แยกถึงกับพิจารณาอย่างไงถึงจิตของเราจะสงบอยู่มันก็เพียงแค่ความสงบพิจารณาด้วยปัญญาที่จิตยังไม่ได้หงายขึ้นมาแต่มันก็ดับทุกได้ระดับหนึ่งแต่ปัญญายังไม่ได้เต็มรอบจริงๆ